ถ้าหากเราบริหารเวลาไม่ดีเราอาจจะต้องพลาดหลายสิ่งที่เราปรารถนาจะทำด้วยเหตุผลเดียวนั่นคือไม่มีเวลาหลายคนได้แต่ตั้งใจว่าจะอุทิศตัวเพื่อรับใช้สังคมในบางด้านแต่กลับทาไม่ได้อย่างที่ตั้งใจไว้เนื่องจากมัวแต่สาละวนอยู่กับกิจธุระของตนเองและผัดผลอนเวลาออกไปเรื่อยๆบางคนก็เสียชีวิตไปก่อนที่จะได้ทาสิ่งที่มุ่งหวังไว้แพ้จริงทุกสิ่งไม่ว่าจะสาคัญมากหรือน้อย